ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลาังการะดีกาแปลพระพุทธรักิตาจารย์ชาวศีลังการจนาบัดนี้พระพุทธรักิตาจารย์เมื่อจะกระทำความอาศัศจรรย์และการสดุดีการเสด็จออกของพระมหาบุรุษนั้นจึงกล่าวคำว่ายาวันจะยังเป็นต้น ตราบใดที่ดวงอาทิตย์นี้ยังโคจรไปในโลกที่ห้อมล้อมด้วยภูเขาและตราบใดที่จักรรัตนะพุดขึ้นในโลกตราบนั้นพระมหาบุรุษจะเป็นใหญ่เที่ยวไปในท้องฟ้ามีมหาสมุทรทั้งสี่ที่ได้รับชัยชนะแล้วเป็นขอบเขตพระมหาบุรุษนั้นจะทรงยกพระบาทละไปอย่างไม่มีเยื่อให่ได้อย่างไร พระมหาบรุษนั้นทรงละทวีปใหญ่สี่ทวีปทวีปน้อยสองพันทวีปชมพูทวีปที่บวรซึ่งผู้ประเสริฐอาศัยอยู่ในทวีปนั้นและกรุงกบิรพัตรอันหน่ารื่นรมซึ่งเป็นสะดือแผ่นดินยกพระบาทจากไปอย่างไม่มีเยื่อใยได้อย่างไรพระมหาบรุษนั้นทรงละหมู่พระญาติแปดหมืนตระกูลผู้มีช้างมา้าข้าวเปลือกและทรัพย์ผู้ชนะหมู่ข้าศึก และพระบิดาผู้ทรงสมภพในโคตะมะโคดผู้เลิศในหมู่ชนยกพระบาทจากไปอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ได้อย่างไรพระมหาบุรุษ น, นั้นทรงลบปราศาสุร ม, มาอันเป็นสถานที่รื่นรมรุ่งเรืองด้วยรัตนะเป็นสถานที่สร้างความอัศจรรย์ในฤดูร้อนรุ่งเรืองดุดมนเทียนของเทวดาประดับธงชัยธงแผ่นผ้าและสเสวตฉัด ยกพระบาทจ า, ากไปอย่างไม่มีเยื่อใยได้อย่างไรพระมหาบุรุษนั้นทรงละสะโบกขรณีที่ปลูกบัวผลิดอกบานรอบพระราชมณีนศสีสะมีหมู่ที่ชาชาติโบยบินทรงเสียงร้องอยู่เหนือสะบัวยกพระบาทจากไปได้อย่างไรพระมหาบุรุษนั้นทรงทอดพระเนตรทางช่องพระแกลเห็นฝูงแมลงผู้บินร่อน ส่งเสียงอยู่เหนือดอกบัวในสะโดยรอบดอกบัวทั้งหลายดูประหนึ่งสะทกสถทานด้วยความอายเพราะเห็นพระพักที่งามดุจ ด, ดอกบัวของพระมหาบุรุษผู้เป็นนาถะมูพมรแมลงผลิตน้าหวานไม่มีน้ำหวานพากันร้องระ ง, งมอย่างไพเราะบินว่อนเหนือดอกปทุมทุกๆดอกได้กระทำรังด้วยน้ำหวานในเวลาไม่นาน เจ้าของละทิ้งสิ่งนี้และสิ่งนี้ไปได้อย่างไรหมู่พมร น, น, นําน้ําต้อยจากดอกบวัวหลวงนั้นไปยังที่อยู่บรรลือเสียงกระทําน้ําหวานที่รังตราบใดสตรีเหล่านั้นพากันขับร้องบรรเลงคมเสียงบรรลือของหมู่พมรด้วยเสียงเพลงขับฟ้อนร้องด้วยเสียงเพลงขับฟ้อนรําอยู่ดุจนางเทพ อ, อักษรขับร้องบรรเลงอยู่ในสวงสวรรค์ สตรีทั้งหลายผู้มีฐานแต่งตึงและริมฝีปากอิ่ต่างชี้ชวนและต่างชี้ชวนแต่ละนางประดับเคลืออประดับของลับซึ่งก่อให้เกิดความกำหนัดทุกนางให้สัมผัสที่นิ่มนวลในทุกเมื่อดุดสัมผัสของนางเทพอับษร น, น่ารักชักชวนให้รื่นรมด้วยสัดส่วนดุดโอสดสมุนไพร สตรีเหล่านั้นมีความยินดีร่าเริงกระทําการยั่วยวนยิ่งนักตีเครื่องดนตรีฟ้อนรำชูมือขึ้นนับพันรอบทิศทางพากันประกาศว่าแม้เท้าส ก, กะก็จะเทียบเท่าเจ้าสักยะได้หรือสตรีเหล่านั้นมีในตาโตยิ้มแย้มแจ่มใสเอวุกลมมียอดถันขนาดผลสดาวทรงเสียงขับชวนให้พิศวาส ผู้ประดับแล้วสวมพวงมาลัยนุ่งผ้า ง, งามฟ้อนรำประคมดนตรีป่วยการพรันาถึงสัมผัสของเหล่าสตรีที่หาสิ่งเปรียบเทียบในโลกไม่ได้พระมหาบุุษนั้นทรงเสวยความยินดีในการอย่างนั้นทรงละความยินดีในการนั้นแล้วยกพระบาทจากไปได้อย่างไรสตรีผู้เป็นหัวหน้าขับร้องเสียงลั่นกำไรเท้าที่เต้นเหยียบย่าง และสายรัะเอลท่งเสียงคลอเสียงพินเสียงเพลงที่ไม่ได้ขับก่อให้เกิดความยินดีแก่เจ้านายฟันกำไลมือที่ร่ายรำขึ้นลงหมุนตัวอย่างเอื้อเฟื้อพระมหาบุรุษทรงเห็นอารมณ์ที่สร้างความรื่นรมให้อย่างนี้กลับไม่ตรงเหลียวแลดูจะไปจะเพียรโทมนัสกันไปทำไมคาถาแสดงความอัศจรรย์การยกพระบาทขึ้นจบ ในคาถาเหล่านั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คำว่ายาวันจะยังตราบใดนี้คือดวงอาทิตย์นี้ปรากฏอยู่ตราบใดคำว่าราวิดวงอาทิตย์คือดวงสุริยะคำว่าจะรติยังโคจรไปคือโคจรเวียนขวาคำว่าอจเลนรุเทห้อมล้อมด้วยภูเขาได้แก่ดวงสุริยะถูกภูเขาจักรวาลบดบัง โคจรไปในโอกาสเท่าที่กำหนดด้วยภูเขาเชกวาลและจักรรัตนทิพเกิดขึ้นจากอากาศในที่ประมาณเท่าใดคำว่าโลเกโลกคือโอกาสสโลกได้ แ, แก่โลกคือแผ่นดินคำว่าตาวิสโระตราบนั้นจะเป็นใหญ่คือจะเป็นพระเ จ, าจา้าจักรพรรดิผู้เป็นใหญ่เป็นอธิบดีมีรัตนเจตประการอย่างสมบูรณ์ในโอกาสประมาณนั้น คำว่าณพระจะโรเที่ยวไปในท้องฟ้าคือทรงเป็นผู้มีจักรรตนะนำแวดล้อมด้วยบริษัทสาสิบหกโยธเที่ยวไปในอากาศคำว่าชิตตะจาตุรันโตมีมหาสมุดทั้งสี่ที่ได้รับชัยชนะแล้วเป็นขอบเขตหมายถึงทรงมีทวีปสี่ทวีปที่ทรงชนะโดยธรรมมิได้ทรงใช้อาจยามิได้ทรงใช้ศาสตรา กำหนดภูเขาจักรวาลเป็นขอบขันทศีมาคำว่าหิตวาทรงละเป็นต้นคือทรงละสมบัติเห็นปานนี้อย่างไม่มีเยื่อใหญ่ดุดทิ้งก้อนเขระชักย่างพระบาทนั้นก้าวสู่ความวิเวกได้อย่างไรน่าอัศจรรย์นักน่าประดาบใจนักพระพุทธรักษิตาจารย์ครั้งแสดงความที่พระมหาบุรุษทรงละสมบัติของพระเจ้าจักพรรประดุจอยู่ในเงื้อมหัดตามปกติ แล้วเสด็จออกผนวดแล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงจำแนกเรื่องนั้นจึงกล่าวว่าทีเปมหาจะทวีปใหญ่เป็นต้นคำว่าทีเปมหา จ, จะจตุราธิกะเดวสหเสทวีปใหญ่สี่ทวีปทวีปน้อยสองพันทวีปเป็นทุติยาวิพัฒน์พระหูวชนะคือเป็นบทกรรมแสดงจำนวนมากสัมพันธ์รูปประโยคว่าทวีปละทวีปอ่าขอโทษครับ ทงละทวีปใหญ่สี่ทวีปทวีปน้อยสองพันทวีปซึ่งแวดล้อมทวีปใหญ่สี่ทวีปนั้นอันเป็นประธานสูงสุดคําว่าตัตราปิในทวีปนั้นได้แก่ในทวีปทั้งหลายเหล่านั้นคําว่าเศรษฐพระชิตังซึ่งผู้ประเสริฐอาศัยอยู่คือที่สัตว์ผู้สูงสุดอยู่อาศัยคําว่าวรชัมพุทีปังชมพูทวีปที่บรวรเชื่อมความว่า ทรงละชมภูทวีปซึ่งเป็นทวีปที่สูงสุดกว่าทวีปทั้งปวงคำว่าภูนาภิกังซึ่งเป็นสะดือแผ่นดินพระมหาบุรุษนั้นทรงละกรุงกบิรพัฒน์อันมีอยู่ในท่ามกลางดุดสะดือแห่งแผ่นดินในจักรวาลทั้งสิน้นหรือเป็นเมืองที่เจริญน่ารื่นรมย่างไม่มีเยื่อใหญ่ยกพระบาทขึ้นยกพระบาทนั้นขึ้นก้าวจากไปได้อย่างไรพึงประกอบคำในทุกบทอย่างนี้ คำว่ากุละโต์ตระกูลเป็นต้นคือหมู่พระญาติประมาณแ0ดหมื่นตระกูลผู้สมบูรณ์ด้วยช้างมา้าสัตว์และข้าวเปลือกเป็นต้นด้วยจำนวนตระกูลที่เป็นมิตรกันแน่นแฟน้นเป็นต้นคำว่าวิชิตาริสังเทเป็นผู้ชนะหมู่ฆ่าศึกเป็นทุติยวิพัฒน์ผูวจนะอย่างนี้คือทรงละสากยราชาทั้งหลายผู้ทรงชนะปัจจามิตรแล้ว โคเตเณโคตมะผวังผู้ทรงสมภพในโคตมะโคตคือผู้ทรงสมภพได้แก่ทรงประสูตรในโคตมะโคตด้วยอํานาจแห่งโคตที่ชื่อที่ชื่อโคตคือกลุ่มตระกูลคําว่าปีตรังชนักขังพระบิดาผู้เลิศในหมู่ชนคือพระบิดาสุดโธทนะมหาราชผู้เลิศกว่าพระราชาทั้งหลายในชมพูทวีปทั้งสิน้นพระมหาบุรุษ มิได้ถูกความเสื่อมอะไรบีบคั้นทรงละสิ่งทั้งปวงยกพระบาทก้าวจากไปได้อย่างไรพระพุทธรักษิตาอาจารย์ครั้งแสดงความที่พระมหาบุรุษทรงละหมู่ชนที่อยู่ในนครในแว่นแคว้นในทวีปในจั ก, กรวาลทั้งสิ้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะพรรณน า, นาความสมบูรณ์แห่งปราศาสจึงกล่าวคำว่ารัมมังสุรัมมะวะสติง ปราสาทสุรัมมาอันเป็นสถานที่รื่นรมในคาถานั้นคําว่ารัมมังวิเคราะห์ว่ารั ม, มิตต บ, บังแปลว่าอันบุคคลพึงรื่นรมคือพึงให้อินทรีย์ทั้งหลายก็ได้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัญจรไปคําว่าสุรัมมะวัสะติงคือปราสาทชื่อสุรัมมาห้าชั้นที่สร้างให้เหมาะสมกับคิมหฤดูที่พระมหาบุรุษทรงประทับนั่งในสมัยนั้น คำว่ารัตนุชละลันตังรุ่งเรืองด้วยรัตนะคือบานประตูบานหน้าต่างฝาหลังคาและชจอดาฟ้าเป็นต้นสร้างสำเร็จด้วยรัตนะเจ็ดประการคำว่าคิมเหปิวิมหยะกังเป็นสถานที่สร้างความอัศจรรย์ในฤดูร้อนคือเป็นสถานที่สร้างความอัศจรรย์ในหน้าร้อนได้แก่สร้างความพิศวง เพราะถูกสร้างให้คล้ายกับเวลาที่มีก้อนเมฆตามที่กล่าวแล้วข้างต้นคำว่าสุรมดิราพังรุ่งเรืองดุจมนเทียนของเทวดาคือเป็นเช่นกับพบทิพย์หมายถึงสวรรค์ปัดธงชัยธงแผ่นผ้าและสเสวนชฉัตรระดับรอบได้คำว่าสปโคราที่ปลูกบัว คือปลูกกอบัวได้แก่โปรดให้ขุดสระบครณี4ีสระสีด้านรอบพระราชมณเทียนหมูที่ชาชาติโบยบินส่งเสียงร้องอยู่เหนือสะระปทุมโกกนุษย์เพระมหาบุุษทรงละความสมบูรณ์แห่งสระบครณีเห็นปานนี้ยกพระบาทนั้นจากไปได้อย่างไรค ำ, ค, คำว่าสะเรในสระคือในสระนั้นคำว่าสโรเชดอก บ, บัวคือดอกปทุมสระ ก็หมายถึงสร ะ, ะหรือว่าเช่ก็หมายถึงเกิดนะเกิดในสระก็หมายถึงดอกบัวคำว่ารุดิตาลิปาลิฝูงแมลงผู้บินร่อนร้องอยู่คือฝูงผมร้องระงมคาว่าปันช ร, รันชสาทางช่องพระแกลคือทรงมองดูทางช่องสีหบัญชรดอกบัวทั้งหลายในสะนั้นพากันสะทกสถานดุจจะเขินอายเพราะเห็นพระพักที่งามดุจ ด, ดอกบัว ของพระมหาบุรุษผู้เป็นนาะท่านแสดงคำที่กล่าวซ้ำกันในท่ามกลางด้วยคำว่ามะทุรามะุรามูพมรแมลงผลิตน้ำหวานเป็นต้นคำว่าปัทุเมปัทุเมดอกปทุมคือฝูงมแมลงพึ่งบินว่อนเหนือดอกปทุมที่บานแล้วคำว่ามะุราภิรุธาพากันร้องระงมอย่างไพเราะคือพากันร้องคลางด้วยน้าเสียงไพเราะ บัดนี้ฝูงแมลงพึ่งผู้มีหน้าที่ในสวนในเดือนวัสันพร้อมเพียงให้สตรียินดีกระทําปราสาททีป่ประทับด้วยน้ําหวานคือกระทําให้มีน้ําหวานโดยการไม่นานคือในบัดนี้แมลงพึ่งเหล่า น, านั้นเกิดความตื่นเต้นว่าท่านผู้เป็นเจ้าของละสิ่งนี้สิ่งนี้อันเป็นสิริสาระในวัสันจักดูอย่างนี้ได้อย่างไร คำว่าําหารสังน้าต้อยจากดอกบัวหลวงนั้นคือนาน้าต้อยดอกบัวจากดงปทุมนั้นคำว่าพระวันังที่อยู่คือปราศาสตแมลงพึ่งช่วยกันทาน้ำหวานบนพื้นปราศาสตร์คำว่านาเดนะนาดะมะติริ จ, จุปวีณยันตาพากันขับร้องบรรเลงคมเสียงบรรลือด้วยเสียงเพลงขับ อธิบายว่าชตรีเหล่านั้นขับร้องบรรเลงคมคือครอบงามเสียงบรรลือของหมู่พมรเหล่านั้นด้วยเสียงเพลงขับของตนได้แก่กระโคมพินตามกระแสเสียงบรรลือของหมู่พมรฟ้อนรำดุนดักฟ้อนรำดุดนางเทพอับสอนในสุรบุรีอยู่ตราบนั้นคือฟ้อนรำอยู่ตราบเท่าที่พระมหาบุรุษนั้นทรงพอพระทยัยท่านแสดงคำที่กล่าวซ้ําในตอนท้ายด้วยคําว่า สันโจอิตาต่างชี้ชวนเป็นต้นในคำนั้นมีอธิบายว่าสตรีเหล่านั้นต่างชี้ชวนคือกระทําการชักชวนว่าขอเชิญพระองค์จงมาร่วมอภิรมกับพวกห ม, อม่อนฉันจงทรงชมการฟ้อนรำขับร้องและการบรเลงของหม่อมฉันซึ่งฟ้อนรำถันกระเพื่อมขับร้องกันริมศีรษผเพเยะเถิด คำว่าวิราชิตานังคะชะเมฆลาคลาระดับเครื่องประดับของลับซึ่งก่อให้เกิดความกำหนัดคำว่าอนังคะชังก่อให้เกิดความกำหนัดคืออวัยวะเพศของสตรีสตรีเหล่านั้นประดับด้วยพวงเครื่องประดับของลับปกปิดอวัยวะเพศนั้นกิริยาไม่แข็งกระด้างเข้าใจไม่ยากมีรสชาติ คำว่าสุรังคนานังคชะภัสดาสดาให้ผัสสะที่นิ่มนวลในการทุกเมื่อคือเป็นสตรีที่ให้สัมผัสที่ก่อให้เกิดความกำหนัดคือให้สัมผัสในเมทุนก็คือความรู้สึกทางเพศให้ความสุขสมรื่นรมในรสแห่งการมาคุณทุกเมื่อคือตลอดการทั้งปวงดุดนางเทพอับษรคำว่าระมาหน้ารักคือสตรีเหล่านั้น คำว่าระมาเป็นติวรังคทาทธาชักชวนให้รื่นรมด้วยสัดตวนดุดโอสถสมุนไพรย่ยอมให้ยินดีดุดโอสถที่ให้ความเจริญใจดุดยาสมุนไพรคำว่าการาติรัตตารติรัตตารามามีความยินดีร่าเริงกระทำการยั่วยวนยิ่งนักคือเป็นผู้ที่น่ากำหนักยินดีแนบแน่นในความยินดีด้วยกิเลส ได้แก่สตรีทั้งหลายน่ารักฝ่ามือแดงจักชวนให้รักใคร่ยิ่ น, นักประโคมเครื่องดนตรีประเภทกลองมีค้องทองสำริดเป็นต้นต่างฟ้อนรำยกมือชูขึ้นหลายพันมือต่างกล่าวเล้าลมว่าเท้าสกะเทวราชนั้นจะเทียบอิสริยยศอะไรกับพระศากยบุตรของพวกหม่อมฉันได้คำว่าวิสาระเนตามีในตาโต มีในตาแผ่ออกคำว่าหะสุลายิ้มแย้มจ่มใสคือมักยิ้มแย้มได้แก่มักมีลีลาทางสำเนียงคำว่าสุมัชชาเอลกลมคือเอลบางงามคำว่านิมพัฒนีถันขนาดผลสดาวคือมีหัวนมเหมือนผลสดาวคำว่าวิมหะยะคีตะสัต ด, ดา ส่งเสียงขับชวนให้พิศวาสคือร้องเพลงส่งเสียงชวนให้ลุ่มหลงดุดเสียงขับกล่อมทิพย์คำว่าอัลลังกาผู้ประดับแล้วคือประดับตกแต่งเครื่องอาภรณ์พร้อมสัตว์คำว่าไมระยะธาราสวมพวงมาลัยคือประดับ พ, ว ง, พวงมาลัยที่ร้อยแล้วคำว่าสุวัฏฐานุ่งผ้างามคือนุ่งผ้าสีต่างๆ ประโคมดนตรีฟ้อนรำตามเสียงดนตรีนั้นคําว่ายาสังหิโลเกอุอปมาปินถิราวสตรีที่หาสิ่งเปรียบเทียบในโลกไม่ได้คือราวสตรีผู้บังเกิดด้วยอานุภาพแห่งบุญที่มหาสัตว์ต่างสมมาสิ้นกับมิใช่น้อยหาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้การการเกิดในกําเนิดหญิงมนุษย์มีความต่างจากนางเทพอักษรคําว่ากถาหิกาวะป่วย วยการกล่าวพรรณนาคือในสัมผัส ร, ร่างกายของสตรีเหล่านั้นจะกล่าวถ้อยคําอะไรได้แก่ไม่มีคําที่จะต้องพูดคําว่าตางตาดิสังอย่างนั้นคือพระมหาบุรุษนั้นทรงเสวยความยินดีในการเช่นนั้นยังทรงละยกพระบาทนั้นก้าวจากไปได้อย่างไรบัทนี้พระพุทธรักษิตาจารย์เมื่อจะแสดงความน่ารักอย่างยิ่งของสตรี จึงกล่าวบทที่กล่าวซ้ำกันในตอนต้นด้วยคำว่าปาเดปาเดเท้าที่เต้นเหยียบย่างเป็นต้นในระถานั้นคำว่าปาเดปาเดประกอบจากคำว่าปาเดอปาเดคำว่าปาเดก็คือเท้าเท้าที่ฟ้อนรำวางลงคำว่าอปาเดก็คือเท้าคือเท้าที่เหยียบย่างไปและเท้าที่ยกขึ้น คำว่าวะละยะวิระวาเสียงสั่นกำไรคือเสียงขย่าวกำไรเครื่องประดับเทา้าและลูกพรวนที่สวมเท้าทั้งสองคำว่าเมฆลาวีณ น, นาดาสายรัดเอวส่งเสียงคลอเสียงพินคือคลอด้วยเสียงขย่าวสายรัดที่รัดเอวกับเสียงพินที่ดีดด้วยนิ้วมือคำว่าคีตังคีตังเสียงเพลงที่มิได้ครับ คือเสียงเพลงที่ไม่ได้ขับร้องได้แก่เสียงขับในก่อนที่ไม่ได้ขับร้องเป็นเสียงขับยอยศพระเกียรติที่สดใหม่คาว่าปฏิรติกรังก่อให้เกิดความยินดีแก่เจ้านายคือกระทาให้เกิดความชื่นชมแบบชาวบ้านแกบบ่ผู้เป็นนายคาว่าคายตีคายตีสตรีผู้เป็นหัวหน้าขับร้องคือ นารีผู้เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ขับร้องนำในบรรดาสตรีขับร้องสตรีทั้งปวงนั้นก็ขับร้องต่อท้ายบทเพลงที่สตรีหัวหน้าขับร้องปราสาททั้งสิ้นมีเสียงทำนองเพลงเสียงเดียวกันด้วยเสียงกำไรเท้าเป็นต้นของหญิงเหล่านั้นด้วยเสียงสายรัะเอลด้วยเสียงพินที่แขวนไว้ที่สะโพกด้วยเสียงเพลงขับร้องด้วยเสียงดนตรีอื่น และด้วยเสียงบรรลือของหมูพมรคำว่าหัดเถหัดเถมือที่ไร่รำขึ้นลงตัดบทเป็นหัดเถอะหัดเถในคำสองคำนั้นคำว่าหัดเถคือมือที่ยกขึ้นคำว่าอะหัดเถคือมือที่ลดลงคำว่าวะระยะจริตาสันกำไรคือเต้นเป็นวงกลมหรือขย่กกำไรที่สวมข้อมือคำว่าสามพมังยางเอื้อเฟือ้อ คือกระทำอย่างเอาใจด้วยความอุตสาหะมากด้วยคิดว่าทำอย่างไรพวกเราจึงจะสามารถทำให้เจ้านายพอใจได้คําว่าสัมผัมตีหมุนตัวคือหมุนร่างกายไปตามจังหวะ ก, การฟ้อนราคํานี้กล่าวถึงสตรีหัวหน้าคนเดียวเล่ากันมาว่าในปราสาทนั้นราชกัญญาสองหมื่นนางคือที่อาศัยอยู่ประจำในปราสาทหลังนั้นหนึ่งหมื่นนาง เป็นบริวารของพระนางยโสธราหนึ่งหมื่นนางบางพวกอาบน้ำตกแต่งตนเตรียมฟ้อนรำเพื่อให้พระมหาบุรุษทรงอภิรม์บางพวกจัดเตรียมข้าวน้ำบางพวกจัดพรกระยาหารให้ทรงเสวยบางพวกจัดเตรียมที่บรรทมและที่ประทับนั่งบางพวกประดับตกแต่งพระมหาสัตว์บางพวกยืนถวายงานพัดวารวีชนีบางพวกถือพัดก้านตาลแก้วมณี ยืนแวดล้อมอยู่ภายนอกสถานที่ฟอ้อนรำอย่างนั้นเช่นกันบางพวกก็ยืนถือคันชองแก้วมณียืนถือหม้อกรกดใส่น้ำเต็มถาดใส่น้ำเต็มและกำดอกไม้เป็นต้นท่ามกลางสตรีเหล่านั้นมีลานสถานที่เต้นรำสตรีเหล่านั้นยืนเรียงแถวตามลำดับแถวละหนึ่งร้อยนางบ้างแถวละสองร้อยนางบ้างเวลาที่สตรีเหล่านั้นฟอ้อนรำ ขณะที่สตรีหัวหน้ายกมือข้างหนึ่งขึ้นเขยา่าสตรีทั้งหมดก็ยกมือขึ้นเขยา่าในเวลาที่สตรีเหล่านั้นยกอาภร อ, อันเช่นกับเถาวันทองเขยา่าเพื่อประสาททั้งสิ้นเป็นกระดุดการที่สายฟ้าหนึ่งพันสายแลบออกมาอย่างนั้นเช่นกันในเวลาที่สตรีทั้งหลายผู้ประดับอาภรทองสันศีสะเป็นประดุดเวลาที่พระอาทิตย์หนึ่งพันดวงโคจร ในเวลาที่สตรีทั้งหลายสัน่นถันอันเรียบประดุดโป่งน้ําทองคําเป็นประดุดหงทองหนึ่งพันตัวบินขึ้นในเวลาที่สตรีเหล่านั้นย่ำเท้ากับพื้นทองเป็นประดุดหงทองหนึ่งพันตัวเล่นกันสตรีเหล่านั้นฟ้อนรํามองดูด้วยดวงตาที่ทําให้เพิ่มพูนความรักชําเลืองดูด้วยหางตาอันเช่นกับขอบโค้งสะพานหมุนอยู่ที่ใบหน้าดุด กับดอกปทุมที่แย้มบานของตนฉุดดึงพระไทยของพระมหาบรุษนั้นมาใส่เก็บไว้ในตู้คือหัตัยของตนคำว่าดิศวาดิศวาทรงเห็นกลับไม่ทรงเหลียวดูตัดบทเป็นดิศวาอะดิศวาอธิบายว่าพระมหาบรุษนั้นทรงเห็นคือทรงดูการแสดงที่ก่อให้เกิดความยินดีน่ารัก ซึ่งเป็นการแสดงที่ผูกมัดมนุษย์ไว้เห็นปานนี้สิ้นการประมาณเท่านี้บัดนี้พระองค์เสด็จจากไปโดยไม่ตรงมองดูลานสถานที่ฟ้อนราเช่นนั้นคือทรงละสมบัติเห็นปานนี้เสด็จจากไปคำว่าหาหาโทมนัตใช้ในความหมายว่าเสียใจคำว่ากิมีหาจะเพี้ยนกันไปทำไมอธิบายว่า จะภาพเพียรกันทำไมคือจะประกอบความเพียรกันไปทำไมสิ่งที่พระมหาบุรุษนั้นทรงกระทำก็อให้เกิดความอัศจรรย์อย่างยิ่งพันธนาคาถาแสดงความอัศจรรย์แห่งการยกพระบาทก้าวจากไปจบพระพุทธรักษิจตาจารย์ครั้นกล่าวความอัศจรรย์แห่งการยกพระบาทก้าวจากไปแล้วอย่างนี้เมื่อจะแสดงการที่พระมหาบรุษเสด็จจากไปโดยไม่เสด็จกลับมาอีก จึงกล่าวว่าพระมหาบรุษนั้นผู้ทรงละวิมานและยานฐานะที่บังเกิดด้วยบุญที่พระองค์สั่งสมสิ้นการอันหาที่สุดมิได้ทรงละพระชายากับพระโอรสที่ประสูติในวันนั้นเสด็จจากไปเสด็จไปเป็นพระสุคตแล้วแลพระมหาบรุษนั้นผู้ทรงละพระบิดาพระมารดาผู้ยังทรงพระชนยูพระปายุรย่าเหล่านั้น ล, า ส, ลาสตรีผู้เช่นนั้นและที่ประทับและที่ประทับอันน่ารื่นรมเช่นนั้นหลาวนั้นเสด็จจากไปเสด็จไปเป็นพระสุคตแล้วแหลพระมหาบุรุษนั้นผู้ทรงผ้าเปลือกไม้ผ้าปัตุณ น, นะคือผ้าไหมที่ทักแล้วผ้าทุกกูละผ้าจากเมืองจีนผ้าจากแคว้นกาสีซึ่งอบร่ำด้วยกลิ่นหอมอย่างดีทรงงดงามดุจท้าวาสะวะ ทรงละเสด็จจากไปเสด็จไปเป็นพระสุคตแล้วแลขุมทัพย์ที่ประกาศผมขุมทรัพย์ที่ประกาศผลกรรมเก่าผุดขึ้นจากที่ใกล้จากแผ่นดินที่รองรับสัตว์มีชีวิตจากสัตว์ผู้อยู่บนแผ่นดินจากเทวดาผู้เสวยสุทาโพธ์พระบุรุษนั้นทรงละเสด็จจากไปเสด็จไปเป็นพระสุคตแล้วแล พระมหาบุรุษนั้นผู้ทรงเสวยพระกยายฐารข้าวสาลีสะอาดกลิ่นหอมรสดีในถาดทองสวยงามมีลวดลายนับร้อยกับสตรีที่อยู่ร่วมแล้วทรงละเสด็จจากไปเสด็จไปเป็นพระสุคตแล้วแลพระมหาบุรุษนั้นผู้ทรงมีพระวรกายหอมไม่รู้สิน้นด้วยกลิ่นหอมน่าชื่นใจพระวรกายรูปไล้ด้วยของหอมกลิ่นหอมดี ทรงได้รับการถวายงานพัดด้วยพระภายมีกลิ่นหอมทรงละเสด็จากไปเสดไปเป็นพระสุคตแล้วแหลพระมหาบรุษนั้นผู้ทรงมีพระวรกายที่กำหนดด้วยพระลักษณะที่ดีทรงประดับด้วยเครื่องประดับของเทวดาทรงรุ่งเรืองด้วยราชินีของพระองค์ทรงละเสด็จากไปสเสด็ไปเป็นพระสุคตแล้วแหลพระแท่นที่ประทับนั่งต่าง พระแท่นที่บรรทมสถานที่พักอันแวววาวดุจ ด, ดวงดาวดุจบอ่อเกิดรัตนะจัดตั้งไว้ในที่นั้นประดับธงรัตนะสิ่งเหล่านั้นเป็นดุจหยาดน้ําค้างละจากไปได้พระมหาบุรุษเสด็จจากรัตนะทั้งหลายนานาชนิดที่รุ่งเรืองจากลาวนารีจากปราศาส์ที่มีการขับร้องเป็นนิตจากราชสมบัติที่ประดับด้วยจักรรัตนะเป็นต้น พระเหตุนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่กล้าหาญและอิตระชนนอกน้อมแล้วคาถาแสดงการเสด็จไปโดยไม่เสด็จกลับมาอีกจบแล้วก็เป็นผู้ที่จิตใจเด็ดเดียวเป็นผู้ที่เสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อที่จะนําประโยชน์สุขมาแก่ชาวโลกแก่สาธุชนทั้งหลายแล้วก็แก่ท่านทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมนี้ก็ให้ จิตใจของท่านน้อมไปในศรัทธาในวิริยะในสติในสมาธิในปัญญาน้อมน้อมไปสู่มรรคผลนิพพานเพื่อที่จะเป็นตามตอบแทนคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่เสียสละโดยที่ปรารถนาให้พวกเรานั้นอบรมไตใจขีหาเพื่อการบรรลุอริยสัจธรรมเพื่อความพ้นจากวัฏฏุก์เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้ดำเนินสู่หนทางก็คืออริยมรรคเพื่อต้องกระแสพระนิพพานในเร็วพรั้นด้วยเทินสาธุ สาธุสาธุ